จากการก่อเรื่องของผูกกลัวผีขึ้นที่ใจมากกว่าผีจะมาจากที่อื่นแต่ผีจะมีจริงหรือไม่นั้นแม้จะบอกว่าผีมีจริงก็ไม่มีพยานหลักฐานยืนยันกันพอให้เชื่อได้เพราะนิสัยมนุษย์เราไม่ชอบยอมรับความจริงแม้ไปเที่ยวขโมยของเขามาเจ้าของตามจับตัวได้พร้อมทั้งของกลางและพยานหลักฐานมาอย่างพร้อมมูลยังไม่ยอมรับตามความจริงแถมยังปั้นพยานเท็จขึ้นหลอกลวงเพื่อหาทางรอดตัวไปจนได้ โดยไม่ยอมรับว่าตัวทำผิดนอกจากถูกบังคับด้วยหลักฐานพยานเท่านั้นก็ยอมรับโทษไป ท, ท, ทั้งๆที่ใจจริงและกิริยาที่แสดงออกไม่ยอมรับว่าตัวผิดเวลาไปเป็นนักโทษอยู่ในเรือนจำแล้วมีผู้ไปถามว่าคุณทำผิดอะไรถึงต้องมาติดคุกและสมบกก ร, รมอย่างนี้นักโทษคนนั้นจะรีบตอบเป็นเชิงแก้ตัวทันทีว่าเขาหาว่าผมขโมยของเขาแต่จะยอมรับตามความจริงว่า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 ก็ยิ่งจะมืดมิดปิดตายิ่งกว่าไม่ตอบเปไหนๆเพราะไม่เคยรู้ว่าอวิชชาตัญหาคืออะไรทั้งๆที่มีอยู่กับตัวทุกคนเว้นพระอาหารหันต์ท่านเท่านั้นแต่ไม่สนใจอยากรู้และปฏิบัติเพื่อรู้สิ่งดังกล่าวนอกจากจะตอบว่าเกิดจากพ่อกับแม่ที่เห็นๆกันอยู่นี้เท่านั้นผู้ถามก็จะหาว่าตอบตัดจนวนจึงลำบากในการตอบตามความจริง เพราะผู้ถามไม่ได้สนใจกับความจริงเท่าไรนักในธรรมท่านว่ามนุษย์และสัตว์เกิดจากอาวิชชาปจียาสร้างคาราจนถึงสมุรยโยโหติและดับภพบชาติอันเป็นความดับทุกข์ทั้งมวลจากอาวิชัยยะตเววะอเซศวิราคะนิโรธาสร้างฆรานิโรโธจนกระทั่งถึงนิโรโธโหติเหล่านี้ก็มีอยู่กับจิตของทุกคนที่มีกิเลสบนหัวใจถ้ายอมรับความจริงแล้ว ก็นี่และพาให้เกิดเป็นมนุษย์และสัตว์อยู่เต็มโลกจนจะหาที่อยู่ที่กินกันไม่ได้อยู่แล้วเพราะอวิชชาตันหาความหิวโหยไม่มีเวลาลดตัวเป็นต้นเหตุทั้งที่ยังไม่ตายก็เตรียมหาที่เกิดและที่อยู่กินอยู่แล้วนี่แลตัวที่พาให้มนุษย์และสัตว์เกิดและเป็นทุกข์อยู่เต็มโลกถ้าอยากทราบก็จงดูจิตดวงที่เต็มไปด้วยกิเลสประเภทที่พาให้ร้อนรนโครนกวายสายแสหาที่เกิดที่อยู่ทุกๆขณะนี้ จะได้พบสิ่งที่มุ่งหวังอย่างสมใจและหายสงสัยในตัวเองไม่ต้องไปถามใครอันเป็นการแสดงความงมงายของตัวให้คนอื่นเห็นว่าตัวยังบกพร่องเรื่องของตัวอยู่มากเพราะจิตเป็นตัวขนองได้จองหองไม่มีอะไรจะเปรียบเทียบได้ในโลกหากจะขาดความสนใจเลี๋ยวแล้วเท่านั้นจึงไม่รู้ความดือดึงของตัวและทำให้ก้าน้ำเหลวโดยมีโดยไม่มีอะไรติดมือพอเป็นความสมหวังบ้าง ที่ว่าอะไรที่ทําให้มนุษย์หญิงชายและสัตว์ชนิดเดียวกันเกิดความรักชอบกันโดยไม่มีโรงร่าโรงเรียนสอนให้รักชอบกันท่านตอบว่าเพราะราคาตัญหาความรักชอบไม่ได้อยู่ในหนังสือไม่ได้อยู่ในโรงร่ำโรงเรียนและครูที่ควรจะไปเรียนกับสิ่งดังกล่าวนั้นแต่ราคาตัญหาความน่าด้านไม่มีอย่างอายมันเกิดและอยู่กับใจของมนุษย์หญิงชายและสัตว์ต่างหา จึงทำให้ผู้มีสิ่งลามกนี้กลายเป็นหญิงชายและศา์ผู้ลามกไปตามอำนาจของมันโดยไม่รู้สึกตัวและไม่เลือกชาติชั้นวั น, นะและไวอะไรทั้งสิ้นถ้ามีมากก็ยิ่งทำให้โลกกลายเป็นโลกกวินาทไปได้อย่างไม่มีปัญหาหากไม่มีสติปัญญาสกัดกั้นมันไว้บ้างพอให้น่าดูก็จะกลายเป็นน้ำร้นฝังท่วมทับหัวใจและท่วมบ้านเมืองให้ยิบหายผลปีไปได้ โดยไม่มีอะไรยังเหลือพอให้เป็นที่น่าดูบ้างเลยสิ่งที่เกิดอยู่ที่จิตใจของสัตว์โลกและเจริญอยู่ที่จิตใจของสัตว์โลกตลอดมาก็เพราะมันได้รับการบำรุงส่งเสริมอย่างเหลือเฟือเสมอมาจึงมีกําลังขยาวก่อกวนและทําลายสัตว์โลกให้ได้รับความทุกข์เดือดร้อนเสมอมาไม่มีวันเวลาผ่อนตัวพอให้หายใจบ้างเลยโดยมากเคยได้ยินแต่น้ําท่วมบ้านทั่วมเมืองผู้คนแลสัตว์ ตลอดทรัพย์สินสมบัติต่างๆให้พินาศฉิบหายแต่ไม่เคยสนใจสังเกตดูน้ำราคตันหาไม่มีเมืองพอดีท่วมหัวใจสัตว์โลกตลอดสมบัติที่พึงพอใจให้ฉิบหายวายปวงไปทุกระยะเวลาโดยไม่นิยมว่าหน้าแรงหน้าฝนเลยจึงไม่เห็นความเสื่อมโทรมของโลกที่กำลังเป็นอยู่และจะเป็นไปว่ามีสาเหตุเป็นมาอย่างไรเพราะต่างคนต่างผลิตต่างคนต่างส่งเสริมโดยไม่สนใจดูความเสื่อมโทรม เพราะน้ำนี้เป็นต้นเหตุการมองหาความสงบสุขของโลกจึงเป็นสิ่งที่ออกจะสุดวิสัยไปได้ถ้าไม่มองดูตัวที่กําลังก่อเหตุผูถ้ถามถามเฉพาะความรักชอบระหว่างหญิงชายและสัตว์เท่านั้นไม่ถามถึงความเกลียดชังกลิ้วโกรธและทําลายเพราะราคตัญหาเป็นต้นเหตุบ้างเลยแต่ท่านก็อธิบายเกี่ยวยงไปถึงความไม่ดีทั้งหลายที่ราคตัญหาไปเที่ยวก่อกรรมทําลายไว้อย่างไม่มีประมาณบ้างแล้ว ท่านว่าราคาตันหานี่แลเป็นสื่อมวลพาให้หญิงชายและสัตว์รักชอบกันและเป็นผู้อํานวยการให้หญิงชายและสัตว์ยินดีซึ่งกันกรรมตามหลักธรรมชาตินอกนี้ไม่มีอะไรทําให้เกิดความรักชอบเกลียดชังซึ่งกันและกันได้เวลาราคาตนหาใช้เล่ห์เหลี่ยมไปทางรักคนและสัตว์ก็รักเวลามันใช้เล่ห์เหลี่ยมไปในทางเกลียดทางโกรธหรือทางทําลายคนและสัตว์ก็ต้องเกลียดต้องโกรธและทําลายกันได้ มันต้องการเลี้ยงมนุษย์และสัตว์ไว้ด้วยวิธีให้รักชอบกันมนุษย์และสัตว์ก็รักชอบกันประหนึ่งจะไม่มีวันเหินห่างจืดจางจากกันเลยเวลามันต้องการให้มนุษย์และสัตว์ที่อยู่ใต้อำนาจของมันเกลียดโกรธกันก็จำต้องเป็นไปตามมันจนได้ไม่มีทางขัดขืนพวกโยมไม่เคยทะเลาะกันบ้างหรือระหว่างสามีพัญญาซึ่งแสนรักกันมาก่อนวันแต่งงานจึงต้องมาถามอาตมาอาตมาคิดว่า โยมรู้เรื่องนี้ดีกว่าพระเป็นไห น, ไหนท่านย้อนถามเขาตอนจบประโยคเขาตอบท่านว่าเคยทะเลาะคำเสฉวนเบือ่อไม่อยากทะเลาะ ก, กันเลยท่านแต่ก็จำต้องทะเลาะ ก, กันจนได้เรื่องของโลกมันเป็นอย่างนี้แหลเดี๋ยวรักกันเดี๋ยวชังกันเดี๋ยวโกรธกันเดี๋ยวเกลียดกั น, กกนทั้งที่รู้อยู่ว่าไม่ดีแต่ก็แก้ไม่ตกสักทีท่านถามเขาว่าโยมพยายามแก้มันจริงๆหรือไม่ใช่ว่าโกโอ้ โกหกอัตมาเล่นเปล่าๆหรอกหรือถ้าต่างพยายามแก้กันอยู่บ้างแม้ไม่ได้มากเข้าใจว่าจะไม่เป็นไปอยู่บ่อยทํานองผักชีจิ้มน้ําพริกกับอาหารเช้าเย็นคือเช้าก็ทะเลาะกันเย็นก็ทะเลาะกันทะเลาะกันไม่หยุดจนได้อย่าร้างกันไปก็มีในบางรายผู้ที่พลอยเป็นเชื้อเพลิงไปด้วยคือลูกลกที่ไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลยก็จําต้องหาบาปหากรรมไปด้วย ต่างก็ร้อนเป็นไฟไป ต, ตามๆกันเข้ากับใครไม่ติดเพราะความอิจฉาระอาใจและอายเพื่อนฝูงถ้าต่างฝ่ายต่างสนใจอยู่บ้างเพียงแต่เริ่มจะทะเลาะกันก็ทราบอยู่ด้วยกันว่าเป็นเรื่องไม่ดีต่างก็พยายามระ ง, งับและแก้ไขตัวให้ถูกต้องเสียในขณะนั้นเรื่องก็จะระ ง, งับไปเองต่อไปก็ไม่มีเรื่องทนองนั้นเกิดขึ้นอีกประการหนึ่งเวลาจะโกรธจะเกลียดก็ควรคิดถึงความหลังบ้าง คิดถึงอนาคตที่จะอยู่อาศัยกันไปตลอดชีวิตบ้างมาบวกลบกันกับความไม่ดีที่เกิดขึ้นเวลานั้นจะพอมีทางระ ง, งับได้โดยมากคนเราที่เป็นไปในทางไม่ดีก็เพราะความอยากให้ได้ตามใจหวังของตัวอย่างเดียวและอยากให้ใจคนในครอบครัวมาอยู่ใต้อำนาจของตัวคนเดียวโดยไม่คํานึงถึงความผิดถูกซึ่งเป็นสิ่งสุดวิสัยที่จะเป็นไปได้เรื่องจึงระบาดออกมาและลุกลามไปไหม้คนอื่นให้เดือดร้อนไปด้วย นอกจากนั้นอย่างอยากให้ใจของคนทั้งโลกมารวมอยู่ในอุ้งมือของตัวคนเดียวซึ่งเป็นลักษณะความคิดเพื่อกั้นนะ้ำมหาสมุทรด้วยฝ่ามืออันเป็นความคิดที่ผิดวิสัยจึงเป็นเรื่องไม่ควรคิดไม่ควรทำอย่างยิ่งถ้าฝืนคิดไปก็อกแตกตายเปล่าๆการอยู่ด้วยกันต้องมีหลักที่ถูกต้องดีงามเป็นเครื่องยึดเครื่องดาเนินทั้งฝ่ายสามีและพัญญาตลอดลูกๆและคนงานในบ้าน แม้กับคนอื่นหรือคนในวงงานก็ควรปฏิบัติอย่างมีเหตุมีผลที่เป็นทางลงรอยกันได้หากคนอื่นไม่ยอมรับความจริงก็เป็นความผิดของเขาผู้ไม่มีขอบเขตเหตุผลสาหรับตัวเขาและเป็นความเสียหายอยู่กับตัวเขาเองตนไม่มีส่วนผิดและยังพอมีหลักยึดเพื่อการครองตัวต่อไปการอบรมสั่งสอนประชาชนและพระเนเนถ้ามีคนมาเกี่ยวข้องมากท่านก็แบ่งเป็นเวลาไม่ให้ตรงกัน คือบ่ายราวสี่ถึห้าโมงเย็นอบรมคณะญาติโยมแตะแต่หนึ่งทุ่มขึ้นไปอบปรมพระเนนพอเลิกจากประชุมต่างองค์ต่างไปที่พักของตนและประกอบความเพียรเวลาพักอยู่ตามจังหวัดต่างๆทางภาคอีสานท่านปฏิบัติต่อประชาชนพระเนนอย่างหนึ่งในเที่ยวแรกกับเที่ยวที่สองเวลาท่านไปพักอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่และกลับไปอุดรเที่ยวที่สามคือเที่ยวสุดท้าย ท่านปฏิบัติกับประชาชนพระเนรอีกอย่างหนึ่งซึ่งผิดกับแต่ก่อนอยู่มากแต่ทั้งสองตอนหลังนี้จะรอไว้เขียนข้างหน้าเพื่อให้เรื่องติดต่อกันไม่ขาดความท่านสนใจสั่งสอนพระเนนมากเป็นพิเศษถ้าปรากฏว่ารายใดภาวนาจิตเป็นไปและรู้เห็นสิ่งต่างๆเกี่ยวกับภายนอกหรือภายในท่านจะพยายามสนใจและเรียกมาสอบอารมณ์เป็นพิเศษ เพตามธรรมดาของผู้ปฏิบัติภาวนาทั่วๆไปจะมีจริตนิสัยแตกต่างกันการปฏิบัติและความรู้ที่เกิดขึ้นจากการภาวนาก็มีความแปลกต่างกันเป็นเรื่รยแต่ผลคือความสงบสุขเย็นใจนั้นเหมือนกันที่แตกต่างกันก็คืออุบายวิธีและความรู้ความเห็นที่ปรากฏขึ้นในขณะภาวนาบางรายก็รู้เกี่ยวกับสิ่งภายในด้วยเกี่ยวกับสิ่งภายนอกด้วยเช่นเห็นผู้ผีเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างเห็นเทวบุตรเทวดาเป็นต้น เข้ามาเกี่ยวข้องบ้างเห็นคนหรือสัตว์มาตาอยู่ต่อหน้าบ้างเห็นเขาหามผีมาทิ้งไว้ต่อหน้าบ้างเห็นร่างของตัวออกไปนอนตายอยู่ต่อหน้าบ้างเป็นต้นซึ่งเป็นสิ่งที่สุดวิสัยของผู้เพิ่งรู้เพิ่งเห็นในขณะเริ่มต้นภาวนาและจิตเริ่มสงบซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่สุดวิสัยที่จะปฏิบัติให้ถูกต้องแม่นยำได้ทุกๆ ก, กรณีไปทั้งไม่แน่ใจว่าที่ปรากฏขึ้นมาแต่ละอย่างนั้น จะมีความผิดถูกแฝงอยู่ประการใดบ้างบางรายที่เป็นนิสัยไม่ชอบใคร่ครวนก็อาจเห็นผิดไปตามและจะถือเอาว่าเป็นความจริงก็ยิ่งเป็นทางล่อแหลมต่อความเสียหายในอนาคตมากขึ้นแต่นิสัยที่จิตออกรู้สิ่งต่างๆดั ง, ดงกล่าวมาขณะที่จิตสงบลงมีจานวนน้อยมากร้อยละห้าคนก็ทั้งยากแต่ก็ต้องมีรายหนึ่งจนได้ที่จะที่จะปรากฏเช่นนั้นขึ้นมา จึงเป็นความจาเป็นที่จะต้องได้รับการแนะนำจากท่านผู้มีความรู้เชี่ยวชาญในทางนี้มาก่อนเวลาพระธุดงค์ท่านเล่าผลของการภาวนาที่ปรากฏในลักษณะต่างๆกันถวายครูอาจารย์และเวลาอาจารย์ชี้แจงวิธีปฏิบัติต่อสิ่งที่รู้ที่เห็นให้ครูมาศึกษาไต่ถามฟังรู้สึกว่าซาบซึ้งจับใจเพลิดเพลินในการฟังไม่อยากให้จบลงอย่างง่ายๆเวลาอธิบายท่านแยกประเภทแห่งนินมิตออกเป็นตอนๆ และอธิบายพิธีปฏิบัติต่อนิมิตนั้นๆอย่างละเอียดละออมมากจนผู้ฟังหายสงสัยและร่าเริงในธรรมที่ท่านแสดงให้ฟังพร้อมทั้งความมีแก่ใจที่จะบำเพ็ญตนให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปแม้รายที่ไม่ปรากฏเห็นนิมิตเกี่ยวกับสิ่งภายนอกแต่ก็น่าฟังไปอีกทางหนึ่งเวลาท่านเหล่าความสงบสุขของใจที่รวมลงสู่ความสงบตลอดอุบายวิธีที่ท่านทำถวายอาจารย์ผู้ที่ยังไม่สามารถถึงขั้นที่ได้ยินได้ฟังในขณะนั้น ก็เกิดศรัทธาความเชื่อมันขึ้นมาที่จะพยายามทำให้ได้อย่างนั้นบ้างหรือยิ่งกว่านั้นบ้างทั้งผู้ที่มีจิตเป็นไปและผู้ที่กำลังตะเกียกตะกายต่างก็ได้รับความปลาปลื้มปิติในขณะฟังบางรายเวลาจิตสงบลงปรากฏว่าได้ไปเที่ยวบนสวรรค์ชมวิมานชั้นต่างๆจนจวนสว่างใจถึงปรับสู่ร่างและรู้สึกตัวขึ้นมาก็มีบางรายลงไปเที่ยว ปร่งธรรมสังเวชกับพวกสวยกรรมต่า ง, า ง, างกันในนรกก็มีบางรายทั้งขึ้นไปเที่ยวบนสวรรค์ทั้งลงไปเที่ยวในนรกดูสภาพ ท, ทั้งสองแห่งซึ่งมีความแตกต่างกันมากคือพวกหนึ่งรื่นเริงบันเทิงแต่อีกพวกหนึ่งคร่ำครวญด้วยความทุกข์ทรมานซึ่งไม่มีกำหนดว่าจะพ้นโทษไปได้เมื่อไรก็มีบางรายก็ต้อนรับแขกคือพวกพผูผีและเทวดาที่มาจากที่ต่างๆคือชั้นบนบ้าน รู้เทศบ้างขณะที่จิตสงบลงบางรายก็สวยความสงบสุขที่เกิดจากสมาธิประเภทต่างๆกันตามกําลังของตัวบ้างบางรายก็พิจารณาทางปัญญาแยกธาตุแยกขนันออกเป็นแผนกและแยกให้สลายจากกันจนเป็นคนชินคนละชิ้นละส่วนและทําให้สลายลงสู่คติเดิมของตนบ้างบางรายก็กําลังเริ่มฝึกหัดและกําลังร่มลุกคลุกคลานเหมือนเด็กกาลังฝึกหัด นั่งบ้างเดินบ้างต่างๆกันบางรายภาวนาบังคับจิตให้ลงอย่างใจหวังไม่ได้เกิดความน้อยเนื้อต่ําใจร้องไห้บ้างบางรายได้ยินท่านสนทนาธรรมประเภทต่างๆตามภูมิที่ตนรู้เห็นกับอาจารย์เกิดความพิติและอัศจ ร, รย์ในธรรมนั้นๆแล้วร้องไห้บ้างบางรายก็ไปเป็นทัพพีนอนแช่อยู่กับแกงไม่รู้รสของแกงว่าเป็นอย่างไรและทําตัวขวางหมอ้อต้มหม้อแกงอยู่ซึ่งเป็นธรรมดา ของหลายอย่างอยู่ด้วยกันย่อมมีทั้งดีทั้งชั่วปะพลกันไปแต่ไหนแต่ไรมาผู้มีสติปัญญาก็เลือกเก็บเอาเฉพาะที่เห็นว่าดีและเป็นประโยชน์ก็เป็นสาระแก่ผู้รอบคอบนั้นรายเช่นนี้แม้ผู้เขียนเองก็ไม่รับรองตัวคงต้องมีส่วนอยู่ด้วยจนได้ท่านผู้อ่านกรุณาผ่านไปอย่าได้สนใจเพราะเรื่องเช่นนี้แม้ในบ้านและในตัวเราเองก็อาจมีในบางครั้งบางคราวและอาจมีอยู่ทั่วไป ท่านมาอยู่อบรมสั่งสอนภาคอีสานเที่ยวที่สองนี้ปรากฏว่าหลายปีแต่การจำภาษาไม่ค่อยซ้ำที่เก่าในปีหลังพอออกภาษาแล้วก็ออกเที่ยวทุดงตามป่าตามเขาไปแบบสุกโตเหมือนนกที่มีเฉพาะปีกับหางบินไปเที่ยวหากินในที่ต่างๆตามความสบายบินไปจับต้นไม้และหากินบนต้นไม้ใดบึงหรือหนองใดพออิ่มแล้วก็บินไปอย่างสบายหาย ห, ห่วงไม่คิดว่าไม้ต้นนั้นผลไม้นั้น เบือตมนั้นเบิงนั้นหนองนั้นเป็นของมันผู้ปฏิบัติธรรมได้แบบนอกก็เป็นสุขไปทางหนึ่งซึ่งยากจะทําได้เพราะมนุษย์เราเป็นสัตว์หมู่สัตว์พวกชอบอยู่กันเป็นหมู่เป็นพวกชอบติดถิ่นฐานบ้านเรือนผู้จะออกไปโดดเดี่ยวดังท่านพระอาจารย์มั่นปฏิบัติมาในบ้านต้นและจวบ ป, ปันปลายคือเวลาท่านอยู่เชียงใหม่จึงรู้สึกฝืนใจไม่น้อยเลยขออภัยถ้าเทียบก็ ราวกับจูงสัตว์บกใส่น้ําใส่ฝนฉะนั้นแต่ถ้าใจคุณกลับทําแล้วกลับตรงข้ามคือชอบไปคนเดียวอยู่คนเดียวอิริยาบถทั้งสี่เป็นเรื่องของคนคนเดียวใจดวงเดียวไม่มีอารมณ์เครื่องก่อกวนยุ่งเหยิงนอกจากทําเป็นอารมณ์อันพาให้สบายเท่านั้นฉะนั้นท่านผู้มีใจเป็นเอกรมคือมีทําเป็นอารมณ์เพียงอย่างเดียวจึงเป็นใจที่แสนสบายและสว่างไสวไม่มีอะไรมาปกปิดกํำบังให้อับเฉาเมามัว เป็นผู้อยู่ตัวเปล่าใจเปล่าจากอารมณ์ชมสันติสุขด้วยธรรมชาติที่มีอยู่กับตัวอย่างสมบูรณ์ไม่เกรงกลัวว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงและสิ้นไปหมดไปเพราะเป็นอาการิกธิธรรมคือธรรมที่ปราศจากการสถานที่มีอยู่กับใจที่ปราศจากสมมุติเครื่องหลอกลวงพระอาจารย์มั่นท่านําเนินแบบสุขโตไปเป็นสุขอยู่เป็นสุขนั่งเป็นสุขยืนเป็นสุขเดินเป็นสุข นอนเป็นสุขนำหมู่คณะโดยสุขโตแต่บรรดาลูกศิษย์ที่พยายามตามให้เป็นไปตามความประสงค์ท่านรู้สึกว่ามีน้อยในธรรมขั้นสูงแต่ก็ยังนับว่าเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอยู่มากเวลาท่านพาออกบินธบาตเฉพาะองค์ท่านเองจะมีเรื่องสาตว์ชนิดต่างๆมาเป็นอารมณ์คู่เคียงกับธรรมภายในใจให้แสดงออกทางวาจาพอผู้เดินตามหลังถัดท่านได้ยินชัดถ้อยชัดคา อันเป็นเชิงสอนเราให้รู้วิบากรรมว่าแม้สัตว์เดรัจฉานก็ยังมีและสมบุกรรมไปตามวิบากของมันโดยนำเรื่องของสัตว์นั้นๆที่เดินผ่านไปพบเห็นเขาเที่ยวหากินอยู่ตามรายทางมาแสดงเพื่อมิให้ประมาทเขาว่าเป็นสัตว์ที่เกิดในกำเนิดที่ต่ำทรามความจริงเขาเพียงสมบุกรรมตามวาระที่เวียนมาถึงเท่านั้นเช่นเดียวกับมนุษย์เราเกิดสมบุชาติเป็นคนซึ่งมีความสุขบ้างทุกบ้างตามวาระของกรรม ที่อํานวยในเวลาต่างๆกันฉะนั้นที่ท่านพร่ำเรื่องของสัตว์ชนิดต่างๆมีไก่สุนัขวัวควายเป็นต้นเพราะความสงสารที่เขาต้องมาเป็นอย่างนั้นหนึ่งเพราะความตระหนักในกรรมของสัตว์ว่ามีต่างๆกันหนึ่งเพราะท่านและพวกเราที่กําลังเป็นมนุษย์ก็มีกรรมชนิดหนึ่งที่พาให้มาเป็นเช่นนี้ซึ่งล้วนเคยผ่านกําเนิดต่างๆมาจนนับไม่ทวนหนึ่งเพราะความวิตกลําพึงกับสิ่งที่พาให้เป็นพบเป็นชาติประจํามวลสัตว์ กว่าเป็นสิ่งลึกลับมากยากที่จะรู้เห็นได้แม้มีอยู่กับตัวทั่วกันถ้ามันฉลาดแก้หรือถอดถอนออกได้ก็ต้องเป็นพายอยู่ร่ำไปไม่มีจุดหมายปลายทางว่าจะหลุดพ้นไปได้ในการและสถานที่ใดๆหนึ่งแท่ทุกครั้งที่ออกบินทบาทท่านจะนำเรื่องสัตว์หรือเรื่องคนมาพร่ำไปตามสายทางในลักษณะที่กล่าวมาผู้สนใจพิจารณาตามก็เกิดสติปัญญาได้อุบายต่างๆจากท่าน ผู้ไม่สนใจพิจารณาตามก็ไม่เกิดประโยชน์และยังอาจคิดไปว่าท่านพูดอะไรกับสัตว์กับมนุษย์ซึ่งเขาเหล่านั้นไม่มีทางทราบได้เพราะท่านไม่ได้พูดเฉพาะหน้าเขาดังนี้ก็อาจมีได้เวลาท่านพักอยู่พระ อ, อีสานบางจังหวัดขณะท่านแสดงธรรมอบรมพระตอนดึกๆหน่อยในบางคืนซึ่งเป็นกรณีพิเศษท่านยังสามารถทราบและมองเห็นพวกรุกขเทวดาที่พากันมาแอบฟังธรรมท่านอยู่ห่าง เพราะพวกเทพทั้งเบื้องบนเบื้องล่างมีความเคารพพระมากถ้าเราว่าเวลาพวกเทพชั้นบนลงมาจากชั้นต่างๆมาฟังทาท่านในยามดึกสงัดจะไม่มาทางที่มีพระพักอยู่แต่จะมาตามทางที่กว่างจากพระและพร้อมกันทำประทักษิลสามรอบขณะที่มาถึงแล้วนั่งอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเสร็จแล้วหัวหน้ากล่าวคารายงานตัวที่พาพวกเทพมาจากที่นั้น ประสงค์อยากฟังทำนั้นัน้นท่านก็เริ่มทักทายพอสมควรแล้วเริ่มกำหนดจิตเพื่อทำที่สมควรจะแสดงแก่ชาวเทพจะพุดขึ้นมาจากนั้นก็เริ่มแสดงให้ชาวเทพฟังจนเป็นที่เข้าใจจบแล้วชาวเทพพร้อมกันสาธุการสามครั้งเสียงลั่นโลกระดสำหรับผู้มีหูทิพย์ได้ยินทั่วกันส่วนหูกระทะหูหม้อต้มหม้อแกงไม่มีทางทราบได้ตลอดไปพอจบการแสดงทำแล้ว ชาวเทพพร้อมกันทําประทักษิณสามรอบแล้วลาท่านกลับอย่างมีระเบียบสวยงามผิดกับชาวมนุษย์เราอยู่มากแม้ผู้เป็นพระและผู้เป็นอาจารย์พวกชาวเทพก็ไม่สามารถทําได้อย่างสวยงามเหมือนเขาเพราะความหยาบความละเอียดแห่งเครื่องมือคือกายต่างกันกันกบเขามากพอออกไปพ้นเขตวัดหรือที่พักแล้วชาวเทพเหล่านั้นพากันเหาะลอยขึ้นสู่อากาศเหมือนปุยนุ่นหรือสำลีเหาะลิวขึ้นบนอากาศชนั้น เวลาที่ชาวเทพมาก็เช่นกันพากันเหาะลอยมาลงนอกบริเวณที่พักแล้วเดินเข้ามาด้วยความเคารพอย่างมีระเบียบสวยงามมากและไม่ได้พูดคุยกันอึกระทึกครึกโครมเหมือนชาวมนุษย์เราเข้าไปหาอาจารย์ที่ถือว่าเป็นที่เคารพนับถือทั้งนี้อาจเป็นเพราะพวกเทพเป็นกายทิพย์จะพูดอย่างมนุษย์จึงขัดข้องข้อนี้พวกเทพต้องยอมแพ้มนุษย์ที่พูดเสียงดังกว่ามนุษย์จึงได้เปรียบพวกเทพตรงนี้เอง พวกเทพคณะฟังเทศมีความสำรวมดีมากไม่สายโน่นสายนี่ไม่แสดงทิฐิมานะออกมาให้กระทบจิตใจของผู้จะให้อัดให้ทำตามปกติก่อนหน้าพวกเทพจะมาฟังเทศท่านเคยทราบไว้ก่อนเสมอเช่นเขาจะมาในราวที่สุดของสองยามคือหกทุ่มพอตกตอนเย็นท่านทราบไว้ก่อนแล้วบางวันท่านคิดว่าจะมีการประชุมพระตอนเย็นก็ต้องสั่งงดในคืนวันนั้น พอขึ้นจากทางจงกรมแล้วท่านเริ่มเขาที่ทําสมาธิภาวนาพอจวนเวลาพวกเทพจะมาถึงท่านเริ่มถอยจิตออกมารออยู่ขั้นอุปจารสมาธิและส่งกระแสจิตออกไปดูถ้ายังไม่เห็นมาท่านก็เข้าสมาธิอีกพักอยู่พอสมควรแล้วถอยจิตออกมาอีกบางครั้งพวกเทพมาถึงก่อนแล้วบางครั้งกําลังหลังไหลเข้ามาในบริเวณที่พักบางครั้งท่านก็รอคอยอยู่ขั้นอุปจารสมาธินานพอสมควร จึงเห็นพวกเทพมาวันไหน ท, ที่ทราบว่าเขาจะมาดึกๆหน่อยราวตีหนึ่งตีสองหรือตีสามก็มียห่างวันเช่นนั้นพอทําความเพียรจนถึงเวลาพอสมควรแล้วท่านก็พักผ่อนจำวัดไปตื่นเอาตอนนั้นทีเดียวแล้วเตรียมตอนรับแขกตามเวลาที่กําหนดไว้พวกเทพที่มาฟังเทศท่านเวลาพักอยู่ทางพระอีสานไม่ค่อยมีมาบ่อยๆและไม่มีมากนักส่วนรายที่ ไม่แอบฟังเทศท่านอยู่ห่างๆขณะที่ท่านกําลังอบรมพระนั้นพอทราบท่านขอยุดการอบรมในเวลานั้นและสั่งพระให้เลิกประชุมสําหรับองค์ท่านก็รีบเข้าที่ทําสมาธิภาวนาเพื่อแสดงธรรมให้ชาวเทพฟังในลําดับต่อไปจนจบพอพวกเทพกลับไปแล้วท่านก็พักจาวัดจนกว่าถึงเวลาอันควรก็ตื่นทําความเพียรต่อไปตามปกติที่เคยทํามาเป็นประจำการต้อนรับชาวเทพเป็นกิจของท่านโดยเฉพาะ ไม่ให้คลาดเคลื่อนเวลาได้เลยเพราะเขามาตามกำหนดเวลาคำสัตว์เขาถือเป็นสาคัญมากแม้พระทำให้เคลื่อนโดยไม่มีไม่มีความจำเป็นเขาก็ทำหนิตีเตียนพวกเทพเคารพหัวหน้ามากคอยฟังคำสั่งและปฏิบัติตามด้วยความสนใจพวกนี้ไม่ว่าจะมาจากชั้นบนหรือที่เป็นรูกเทพมาจากที่ต่างต้องมีหัวหน้าเป็นผู้นาเสมอการสนทนาระหว่างพวกเทพกับพระใช้ภาษาใจภาษาเดียวเท่านั้น ไม่มีหลายภาษาเหมือนมนุษย์และสัตว์ชนิดต่างๆกันเนื้อหาของใจที่คิดขึ้นเพื่อผู้ตอบนั้นเป็นคำถามของภาษาใจที่แสดงออกอย่างเต็มเม็ดเต็หน่วยแล้วผู้ตอบเข้าใจได้ชัดเช่นเดียวกับเราถามกันเป็นประโยคด้วยคำพูดทางวาจาประโยคที่ผู้ตอบคิดขึ้นแต่ละประโยคแต่ละคำเป็นเนื้อหาของภาษาใจอย่างเต็มที่แล้วผู้ถามเข้าใจได้ชัดเจนเช่นเดียวกัน ภาษาของใจยิ่งตรงตามความรู้สึกที่ระบายออกทีเดียวไม่ต้องแยกแยะหรือขยายเนื้อความให้เด่นชัดเหมือนใช้คำพูดทางวาจาเป็นเครื่องมือของใจอีกวาระหนึ่งซึ่งบางประโยชน์ความรู้สึกทางใจกับคำพูดที่จะใช้ให้เหมาะสมไม่ค่อยตรงกันจึงทําให้เสียความมุ่งหมายอยู่บ่อยๆตราบใด ท, ที่ใช้วาจาเป็นสื่อแทนใจยอยู่ความไม่สะดวกย่อมมีอยู่ตราบนั้นแต่ก็เป็นเรื่องจําเป็นที่คนเราไม่รู้ภาษาใจของกาละกัน จำต้องใช้วาจาเป็นเครื่องมือของใจอยู่ตลอดไปอย่างแยกไม่ออกทั้งทงที่ไม่สู้จะตรงกับความมุ่งหมายของใจเท่าไรนักเพราะโลกหากภานิยมใช้กันมาอย่างนี้ไม่มีทางแก้ไขให้เป็นอย่างอื่นซึ่งดียิ่งกว่านี้ได้นอกจากจะรู้ภาษาใจกันเท่านั้นสิ่งลีลบก็กลับเปิดเผยและยุติกันไปเองท่านพระอาจารย์มั่นท่านเชียวชาญทางนี้มากเครื่องมือท่านก็มีพร้อมในการฝึกฝนอบรมคนให้เป็นคนดี ส่วนพวกเราแม้แต่จะคิดขึ้นมาชายเฉพาะตัวยังต้องเที่ยวหาหยิบยืมจากผู้อื่นคือเที่ยวศึกษาอบรมจากครูอาจารย์ในที่ต่างๆอยู่เป็นประจำแม้เช่นั้นก็ยังหลุดไม้หลุดมือไปได้รักษาไว้ไม่อยู่คือฟังจากท่านแล้วก็หลงลืมไปแทบไม่มีอะไรเหลือติดตัวแต่สิ่งที่มดีอันมีอยู่ดั้งเดิมคือความผิดพลาดขาดสติปัญญาความระลึกรู้ไตร่ตรองไม่ยอมหลงลืมและตกไปคงยังสมบูรณ์อยู่ตลอดไป ฉะนั้นจึงมีแต่ความผิดหวังคือนั่งอยู่ก็ผิดหวังเดินไปก็ผิดหวังยืนอยู่ก็ผิดหวังนอนอยู่ก็ผิดหวังอะไรๆมีแต่ความผิดหวังเพราะขาดคุณธรรมดังกล่าวที่จะทําให้มีหวังในสิ่งที่พึงใจทั้งหลายปฏิปทาเครื่องดําเนินและการอบรมสัง่งสอนท่านพระอาจารย์มั่นรู้สึกว่าราบเรื่นสม่ํามเสมอไม่ค่อยมีเรื่องกระทืนฝันดังที่เคยปรากฏมาท่านไปที่ไหนชุ่มเย็นราบเรียบในที่นั้น พระเนนมีความคเคารพเพื่อมใ ส, สศรัทธาญาติโยมพอทราบข่าวว่าท่านไปที่ไหนต่างมีความยิ้มแย้มแจม่มใสพากันหลั่งหไหลไปกราบไหว้บูชาด้วยความคเคารพเพื่อมใสยอย่างฝังจิตฝังใจไม่มีเวลาจืดจางตลอดมาดังชาวบ้านถ้ำที่ท่าแขกฝั่งแม่น้ําโข้งแห่งประเทศลาวซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ท่านพระอาจารย์มั่นพระอาจารย์สาวเคยไปพักก่อนหน้าที่ท่านไปเล็กน้อยชาวบ้านนั้นเกิดโรคฝีดาดกันเกือบทั้งบ้าน พอเห็นท่านไปเขาดีอกดีใจกันมากแทบตัวลอยพร้อมกันวิ่งออกมาต้อนรับและวิงวอนขอให้ท่านเป็นที่พึ่งท่านก็ให้เขาพากันมารับพระไตรสรณคมคือถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณ ะ, ะแทนถือผีเพราะแต่ก่อนเขาพากันนับถือผีกันทั้งบ้านท่านแนะนําวิธีปฏิบัติให้เขาเช่นตอนเช้าตอนเย็นเวลาจะหลับนอนให้พากันไหว้พระสวดมนต์ก่อนและให้พากันทําวัดสวดมนต์ทุกๆเช้าเย็น เขาก็ทําตามส่วนท่านเองก็ทําพิธีอะไรๆ อ, อันเป็นการภายในช่วยเขาเป็นที่น่าประหลาดและอัศจรรย์ทันตาเห็นคนที่ล้มตายกันวันละหลายหลาศพเรื่อยมาเพราะโรคนั้นกลับไม่มีใครตายอีกเลยน่าแต่วันนั้นเป็นต้นมาแม้ที่กําลังเป็นกันอยู่ก็กลับหายไปอย่างรวดเร็วและไม่มีการคาเริบอีกต่อไปราวกับปาฏิหารชาวบ้านเกิดความอัศจรรย์ ไม่เคยเห็นและไม่ขาดฝันว่าจะเป็นได้ถึงเพียงนี้ยิ่งเกิดความเชื่อลึมสายกันทั้งบ้านตลอดลูกหลานติดต่อสืบเนื่องกันมากระทั่งทุกวันนี้แม้พระที่เป็นสมภารองปัจจุบันประจำหมู่บ้านนั้นก็เกิดสถาเครเรอเปลือมใส่ท่านพระอาจารย์ทั้งสองมากมาจนบัดนี้พูดถึงท่านพระอาจารย์ทั้งสองทีไรต้องยกมือไหว้ก่อนแล้วค่อยพูดเรื่องของท่านพระอาจารย์ทั้งสองต่อไปที่เป็นทั้งนี้ก็เพราะอํานาจธรรมในใจท่านแผ่กระจายออกไปให้ เป็นความสุขยินใจแก่โลกถ่าเล่าว่าท่านแผ่เมตตาใหญ่ในรอบ24ชั่วโมงต่อ3ครั้งคือเวลากลางวันตอนบ่ายขณะนั่งภาวนา1ครั้งตอนก่อนนอน1ครั้งตอนตื่นนอน1ครั้งส่วนการแผ่เมตตาปรยย่อยประจำนิสัยนั้นมิได้นับอ่านว่าวันหนึ่งกี่สิครั้งท่านแผ่เมตตาใหญ่ท่านว่ากาหนดจิตให้ดารงตัวอยู่เฉพาะ แล้วกำหนดกระแสใจให้แผ่ซ่านออกไปทั่วโลกธาตุเบื้องบนเบื้องล่างทั่วทุกทิศทุกทางไม่มีว่างเว้นปรากฏว่ากิตในขณะนั้นมีอำนาจแผ่รัศมีและแสงสว่างออกไปทั่วพิภ พ, พไม่มีที่สิ้นสุดและไม่มีอะไรมาปิดบังได้เลยยิ่งกว่าแสงพระอาทิตย์กี่ร้อยกี่พันดวงเป็ น, นไหนและไม่มีอะไรจะทรงแสงสว่างเสมอด้วยใจที่ได้ชำระอย่างเป็นภูมิแล้ว คุณสมบัติซึ่งแสดงออกจา ก, กจิตที่บริสุทธิ์สิ้นเชิงแล้วย่อมทำให้โลกสว่างและมีความร่มเย็ยนอย่างอัศจรรย์ที่บอกไม่ถูกเพราะไม่มีพิษสงแม่น้อยเจือพนอยู่มีแต่คุณธรรมคือความเย็นล้วนๆดำรงอยู่ในดวงใจท่านผู้มีเมตตากกจิตและมีใจบริสุทธิ์สะอาดไปอยู่หน้าที่ใดมนุษย์เทวดาอารักษ์ย่อมอเคารพเลื่อมใสต่อศัตริยฉานก็ไม่ระเวงระวังว่าจะเป็นภัยต่อเขา พระจิตท่านอ่อนนิ่มไปทั้งดวงด้วยเมตตาที่มีอยู่ประจำตลอดเวลาไม่นิยมการสถานที่บุคคลและกำเนิดสูงต่ำเหมือนฝนตกลงสู่พื้นพิภพไม่นิยมว่าสถานที่สูงต่ำประการใดฉะนั้นคราวท่านกลับจากอุบลที่แรกทันมาจำภาษาที่บ้านหนองลาดอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครมีพระเนนติดตามมาศึกษาปฏิบัติ ด, ด้วยเป็นจานวนมากมายประชาชนหญิงชายพากันตื่นเต้นมาก ประหนึง่งท่านผู้มีบุญมาเกิดแต่ไม่ได้ตื่นเต้นแบบมงคลตื่นข่าวหากแต่ตื่นเต้นเพื่อละชั่วทำดีละการนับถือผีไหว้เจ้ากราบพระพุทธเจ้าประทำบพระสงฆ์แทนเท่านั้นพอออกพรรสาแล้วท่านออกเที่ยวทุดงไปเรื่อยๆมาทางจังหวัดอุดรธานีไปอำเภอหนองบวัวลำพูบ้างอำเภอบ้านเือและจังหวัที่บ้านคอบ้านไปอำเภอท่าบอ่อ จำภาษาที่นั้นในเขตจังหวัดหนองคายบ้างพักอยู่สองจังหวัดนี้นานพอควรสถานที่ที่ท่านพักบําเพ็ญโดยมากมีแต่ป่าแต่เขาดังกล่าวแล้วหมู่บ้านก็มีอยู่ห่างๆกันในสมัยโน้นไม่แออัดด้วยผู้คนและบ้านเรือนเหมือนสมัยนี้การอบรมสั่งสอนก็ง่ายป่าก็เป็นป่าจริงๆเต็ไมไปด้วยหมู่มใ้ใหญ่ๆสูงไม่มีใครทาลายสัตว์ป่าก็ชุกชุมพอตกกลางคืน นัยินแต่เสียงสัตว์ชนิดต่างๆร้องไปทางภาษาของเขาฟังแล้วทำให้พเพลิดเพลินไปตามด้วยความเมตตาและสนิทสนมเพราะเสียงสัตว์ไม่ค่อยเป็นค่าศึกต่อการบำเพ็ญสมณธรรมผิดกับเสียงมนุษย์อยู่มากท่านว่าทั้งนี้อาจเป็นเพราะเราไม่เข้าใจความหมายของเสียงก็เป็นได้ส่วนเสียงมนุษย์ไม่ว่าจะพูดสนทนากันธรรมดาไม่ว่าจะขับลรำทำเพลงกันไม่ว่าจะทะเลาะวิวาทกันไม่ว่าจะแสดงความสนุกคลื่นเริงกัน เพียงแต่เริ่มแสดงออกก็เพิ่มเข้าใจความหมายไปตามทุกๆคำและทุกๆระยะจึงทําให้ไม่ค่อยสะดวกนักในเวลามีเสียงคนมากระทบขณะรำสมาธิภาวนายิ่งเป็นเสียงอิทธิสัตโธด้วยแล้วก็ยิ่งเพิ่มความที่มึนแทงมากขึ้นถ้าสมาธิไม่ดีพอมีหวังล้มละลายได้อย่างง่ายไดย้แต่ต้องขออภัยจากท่านเจ้าของเสียงนี้มากๆที่เขียนนี้ไม่ได้มุ่งเพื่อจะทำหนิ้ท่านผู้เป็นเจ้าของเสียงแต่อย่างใด แต่เขียนไปตามความไม่เป็นท่าของนักภาวนาทางหากเพื่อจะได้สติคึดสู้บ้างพอมีทางเอาตัวรอดได้ไม่หมอบยอมแพ้ราบอยู่ท่าเดียวที่ท่านชอบพักอยู่ในป่าในเขาอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องทํานองนี้อยู่บ้างเพื่อหลบภัยและเพื่อบมเพ็ญคุณงามความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ลาถอยจนถึงที่สุดอันเป็นจุดหมายปลายทางของผู้ประพฤติพมจั์เพื่อทาขั้นนั้นท่านพระอาจารย์มั่น ท่านชอบอยู่ในป่าในเขาตลอดมาจนถึงวันมรณะภาพจึงได้ทำอันเป็นขวัญใจมาฝากพวกเราอย่างภูมิใจท่านเล่าว่าเวลาท่านคำเพ็ญถ้าเป็นโรค ก, ก็เป็นประเภทชีวิตไม่ยังเหลือค้างโลกให้ใครๆได้เห็นต่อไปเพราะมีแต่การฝึกทรมานทั้งกายทั้งใจตลอดไปไม่มีวันจะได้ลืมตาอ้าปากพูดอย่างสนุกรื่นเริงเหมือนท่านผู้อื่นบ้างเลย เพราะกิเลสขับใจมันไวต่อการติดพันกันจนมองไม่ทันเผลอตัวบ้างไม่ได้เลยเป็นไดเรื่องทันทีแต่พอมันติดพันใจได้แล้วแก่หรือถอนไม่ยอมออกอย่างง่ายมีแต่จะพันให้แน่นเข้าทุกทีอันนี้แหละที่จะทําให้เผลอตัวไม่ได้ต้องจ้องต้องมองต้องคอยจองจําทําโทษมันอยู่เสมอไม่ยอมให้มีกําลังขึ้นมาได้เดี๋ยวมันมัดเราเข้าอีกมีหวังจอดจมแน่ ทำถึงขนาดนั้นจึงพอมีความสุขและลืมตาได้บ้างเท่านั้นพอมีกำลังใจบ้างและได้รับความสะดวกกายสบายใจก็ได้วกมาสั่งสอนหมู่เพื่อนต่อจากนั้นหมู่เพื่อนทั้งพระทั้งเนนทั้งครวญไม่ทราบมาจากไหนทางนั้นก็มาทางนี้ก็มามาไม่หยุดและมาทุกทิศทุกทางบางครั้งจนไม่มีที่พักเพียงพอกันเพราะมามากต่อมากทั้งหน้าสงสารทั้งหน้าเห็นใจท่านว่า บางครั้งก็ทำให้วิตกกับผู้อื่นเกี่ยวกับความปลอดภัยซึ่งมีผู้หญิงและชีนุ่งขาวไปเยี่ยมเช่นคราวพักอยู่ในถ้ำบ้านนามีนายุงอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีสมัยนั้นคนมีน้อยและสัตว์เสือก็ชุกชุมมากถ้ำและบริเวณที่ท่านพักอยู่เสือโคร่งใหญ่ซึ่งมีอยู่หลายตัวในแถวนั้นเคยเข้ามาบริเวณนั้นเสมอไม่เป็นที่ไว้ใจในชีวิตของผู้ไปเยี่ยมท่านและค้างคืนที่นั้น เวลาเขาไปเยี่ยมท่านต้องสั่งให้ชาวบ้านหาไม้มาทำห้างสูงๆจนพ้นจากปากเสือที่จะกระโดดขึ้นไปถึงคนที่หลับนอนอยู่บนห้างนั้นเวลาค่าคืนท่านห้ามไม่ให้ลงมาพื้นดินกลัวเสือจะโดดคาบเอาไปกินแม้ปวดหนักปวดเบาก็เตรียมหาภาชนะขึ้นไปไว้ข้างบนด้วยเพื่อสะดวกแก่การขับถ่ายในเวลาค่าคืนเพราะแถวนั้นเสือชุมมากและรุร้ายด้วยผู้ที่ไปเยี่ยม ท่านมาให้พักอยู่หลายวันต้องรีบพากันกลับเสือแถบนั้นไม่ค่อยกลัวคนนักยิ่งเป็นผู้หญิงด้วยแล้วมันยิ่งไม่กลัวเอาเลยหากพอทําอันตรายได้มันอาจทําแม่ชาวบ้านก็พูดเหมือนกันว่าเสือพวกนี้ไม่ค่อยจะกลัวคนนักบางครั้งเวลากลางคืนท่านกําลังเดินจงกรมอยู่โดยจุดเทียนขายใส่โคมไฟแหวนไว้ที่ทางจงกรมยังเห็นเสือโครงใหญ่เดินตามหลังฝูง ควายที่พากันเดินผ่านมาที่พักท่านอย่างองอาจไม่กลัวท่านซึ่งกําลังเดินชมโคลมอยู่บ้างเลยฝูงควายที่ถูกเสือรบ ก, กวนมากต้องพากันกลับเข้าบ้านเสือยังกล้าเดินตามหลังฝูงควายมาได้ต่อหน้าต่อตาพระซึ่งก็เป็นคนผู้หนึ่งที่นั้นพระที่ไปศึกษาอบรมกับท่านต้องเป็นพระที่เตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วทั้งความสละเป็นสละตายต่อการประกอบความภาคเพียรในสถานที่ต่างๆ ซึ่งไม่เป็นที่แน่ใจและอาจมีภัยรอบด้านทั้งสละทิฏฐิมานะความถือตัวว่ามีราคาค่างวดซึ่งอวดรู้อวดชราอยู่ภายในและสละทิฏฐิมานะต่อมูต่อคณะประหนึ่งเป็นอวัยวะอันเดียวกันจิตใจถึงจะมีความสงบสุขการประกอบความเพียรก็มีเกิดสมาธิได้เร็วไม่มีนิวรณ์มาขัดขวางถ่วงใจในที่ถูกบังคับให้อยู่ในวงจํากัดเช่น สถานที่กลัวๆอาหารมีน้อยปิดเครื่องด้วยผัดใจสติกำกับใจไม่ลดละคิดอ่านเรื่องอะไรมีสติคอยสกิดบังคับอยู่เสมอยอมเข้าสู่ความสงบเร็วกว่าเท่าที่ควรจะเป็นเพราะข้างนอกก็มีภยัยข้างในก็มีสติคอยบังคับขู่เข็นจิตซึ่งเปรียบเหมือนนักโทษก็ยอมตัวไม่คึกขนองนอกจากนั้นยังมีอาจารย์คอยใส่ปัญหาเวลาจิตคิดออกนอกลูกนอกทางอีกด้วย จิตซึ่งถูกบังคับด้วยเครื่องทรมานอยู่ตลอดเวลาทั้งข้างนอกข้างในย่อมกลายเป็นจิตที่ดีขึ้นได้อย่างไม่คาดฝันคือกลางคืนซึ่งเป็นเวลากลัวๆเจ้าของก็ บ, บังคับให้ออกเดินจงกลมแข่งข้าความกลัวทางไหนจะแพ้จะชนะถ้าความกลัวแพ้ใจก็เกิดความอาถรรพ์ขึ้นมาและรวมสงบลงได้ถ้าใจแพ้สิ่งที่แสดงขึ้นมาในเวลานั้นก็คือความกลัวอย่างหนักนั่นเอง ฤทธิ์ของความกลัวคือทั้งหนาวทั้งร้อนทั้งปวดหนักปวดเบาทั้งเหมือนจะเป็นไข้หายใจไม่สะดวกแบบคนจะตายเราดีๆนี่เองเครื่องส่งเสริมความกลัวคือเสียงเสือกระหึม่มกระหึ่มอยู่ตามชายขาบ้างไหลขาบ้างหลังขาบ้างพื้นราบบ้างจะกระหึ่มอยู่ที่ไหนทิศใดก็ตามใจจะไม่คํานึงทิศทางเลยแต่จะคํานึงอย่างเดียวว่าเสือจะตรงมากินพระองค์เดียวที่กําลังเดินจงกรมด้วยความกลัวตัวสันไม่เป็นท่าอยู่นี้เท่านั้น แทนเลนกว้างใหญ่ขนาดไหนมาเดยนึกว่าเสือเป็นสัตว์มีเท้าจะเที่ยวไปที่อื่นๆแต่คิดอย่างเดียวว่าเสือจะตรงมาที่ที่มีบริเวณแคบๆเล็กๆนิดเดียวซึ่งพระขี้ขลาดกําลังเดินวุ่นวายอยู่ด้วยความกลัวนี้แห่งเดียวการภาวนาไม่ทราบว่าไปถึงไหนไม่ได้คิดคํานึงเพราะลืมไปหมดที่จดจ่อที่สุดก็คือคําบริกรรมโดยไม่รู้สึกตัวว่าได้บริกรรมว่าเสือจะมาที่นี่เสือจะมาที่นี่อย่างเดียวเท่านั้น จิตก็ยิ่งกำเริบด้วยความกลัวเพราะการส่งเสริมด้วยคําบริกรรมแบบโลกแตกทำก็เตรียมจะแตกหากบังเอิญเสือเกิดหลงป่าเดินเปะปะมาที่นั่นจริงๆลักษณะนี้อย่างน้อยก็ยืนตัวแข็งไม่มีสติมากกว่านั้นเป็นอะไรไปเลยไม่มีทางแก้ไขนี่คือการตั้งจิตไว้ผิดธรรมผลจะแสดงความเสียหายขึ้นมาตามขนาดที่ผู้นั้นพาให้เป็นไปทางที่ถูกท่านสอนให้ตั้งหลักใจไว้กับธรรม จะเป็นมรณานุสติหรือทาบทใดบทหนึ่งในขณะนั้นไม่ให้ทรงจิตปรุงออกไปนำเอาอารมณ์ที่เป็นภัยเข้ามาหอกตัวเองเป็นกับตายก็ตั้งจิตไว้กับธรรมที่เคยบริกรรมอยู่เท่านั้นจิตเมื่อมีธรรมเป็นเครื่องยึดจะไม่เสียหลักและจะตั้งตัวได้ในขณะที่ทั้งกลัวๆนั่นแหลจะกลายเป็นจิตที่อาถรรพ์ขึ้นมาในขณะนั้นอย่างอัศจรรย์ที่บอกไม่ถูกท่านพระอาจารย์มั่น ท่านสอนให้ตั้งหลักด้วยความเสียสละทุกสิ่งบรรดามีอยู่กับตัวคือร่างกายกจิตใจแต่มิให้สละธรรมที่ตนปฏิบัติหรือบริกรรมอยู่ในขณะนั้นจะเป็นอะไรก็ปล่อยให้เป็นไปตามคติธรรมดาเกิดแล้วต้องตายจะเป็นคนกวางโลกไม่ยอมตายไม่ได้ผิดคติธรรมดาไม่มีความจริงใดๆมาชมเชยคนผู้มีความคิดขวางโลกเช่นนั้นท่านสอนให้เดีดเด่ยวอดาหาันไม่ให้สะทกสะท้านต่อความตาย เกี่ยวกับสถานที่ที่จะไปบำเพ็ญเพื่อหาความดีใส่ตัวลงหนาป่ารกชัดมีสัตว์เสือชุมเท่าไหรา ย, ยิ่งสอนให้ไปอยู่โดยให้เหตุผลว่าที่นั้นแลจะได้กำลังใจทางสมาธิปัญญาเสือจะได้ช่วยให้ทรรเกิดในใจได้บ้างเพราะคนเราเมื่อไม่กลัวพระพุทธเจ้าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าแต่กลัวเสือและเชื่อเสือว่าเป็นสัตว์ดุร้ายจะมาคาบเอาไปเป็นอาหาร และช่วยไล่ตะลอมจิตเข้าสู่ธรรมให้ก็ยังดีจะได้กลัวและตั้งใจภาวนาจนเห็นธรรมเมื่อเห็นธรรมแล้วก็เชื่อพระพุทธเจ้าและเชื่อพระธรรมไปเองเมื่อเข้าสู่ที่ขับขันแล้วจิตไม่เคยเป็นสมาธิก็จะเป็นไม่เคยเป็นปัญญาก็จะเป็นในที่เช่นนั้นแลใจไม่มีอะไรบังคับบ้างมันขี้เกียจและตั้งหน้าสั่งสมแต่กิเลสพรอบพูนใจแทบจะหาถามไปไม่ไหว ให้เสือช่วยหาผลกิเลสตัวขี้เกียจตัวเพลิดเพลินจนลืมตัวลืมตายออกไปบ้างจะได้หายเมาและเบาลงยืนเดินนั่งนอนจะไม่พราญพลังไปด้วยกิเลสประเภทไม่เคยลงจากบนบาคือหัวใจคนที่ใดกิเลสกลัวท่านสอนให้ไปที่นั้นแต่ที่ที่กิเลสไม่กลัวอย่าไปจะเกิดเรื่องไม่ได้ความแปลกและอัศจรรย์อะไรเลยนอกจากกิเลสจะพาสร้างความผิดหายใส่ตัวจนมองไม่เห็นบุญบาปเท่านั้นไม่มีอะไรน่าชมเชย ท่านให้ความมั่นใจแก่นักปฏิบัติว่าสถานที่ที่ไม่มีสิ่งบังคับบ้างทําความเพียรไม่ดีกิดลงสู่ความสงบได้ยากแต่สถานที่ที่เต็มไปด้วยความระเวงระวังภัยทำความเพียรได้ผลดีใจก็ไม่ค่อยปราศจากสติซึ่งเป็นทางเดินของความเพียรอยู่ในตัวอยู่แล้วผู้หวังความพ้นทุกข์โดยชอบจึงไม่ควรกลัวความตายในที่ที่น่ากลัวมีในป่าในเขาที่เข้าใจว่าเป็นสถานที่น่ากลัวเป็นต้น เวลาเข้าสู่ที่ขับขันจริงๆขอให้ใจอยู่กับธรรมไม่ส่งออกนอกกายนอกใจซึ่งเป็นที่สถิตยอยู่ของธรรมความปลอดภัยและกําลังใจทุกด้านที่จะพึงได้ในเวลานั้นจะเป็นสิ่งที่ยอมรับกันไปในตัวอย่างไรก็ไม่ตายถ้าไม่ถึงการตามกรรมนิยมแทนที่จะตายดังความคาดหมายที่โดนด่าวไว้ท่านเคยว่าท่านใดกําลังใจในที่เช่นนั้นแทบทางนั้นจึงชอบสั่งสอนหมู่เพื่อนให้มีใจมุ่งมั่นต่อธรรมในที่ขับขัน จะสมหวังในไม่ช้าเลยแทนที่จะทําไปแบบสิ่งวาสนาบารมีอันเป็นเรื่องเล้วไหลหลอกลวงตนมากกว่าจะเป็นความจริงเพราะความคิดเช่นนั้นส่วนมากมักจะออกมาจากความอ่อนแอท้อถอยจึงมักเป็นความคิดที่กดทวงลวงใจมากกว่าจะช่วยเสริมให้ดีและเพิ่มพูนกําลังสติ ป, ปัญญาให้ยิ่งยิ่งขึ้นทำที่ให้ความมั่นใจแก่นักปฏิบัติเพื่อถือเป็นหลักประกันชีวิตและความเพียรคือพึง หวังพึ่งเป็นและพึ่งตายต่อธรรมจริงๆอย่าฟั่นเฟือนหวันไหวโดยประการทั้งปวงหนึ่งพึงเป็นผู้กล้าตายด้วยความเพียรในที่ที่ตนเห็นว่าน่ากลัวนั้ น, น, นหนึ่งเมื่อเข้อที่จําเป็นและับขันเท่าไหร่พึงเป็นผู้มีสติกำกับใจให้มันในธรรมมีคําบริกรรมเป็นต้นให้กลมกลืนกันทุกระยะอย่าปล่อยวางแต่ช้างเสือ ง, งูเป็นต้นจะมาทําลายถ้าจิตสละเพื่อทำจริงอยู่แล้ว สิ่งเหล่านั้นจะไม่กล้าเข้าถึงตัวมิหนําเรายังจะกล้าเดินเข้าไปหามันด้วยความองอาจกล้าหาญไม่กลัวตายแทนที่มันจะทําอันตรายเราแต่ใจเรากลับจะเป็นมิตรอย่างลึกลับอยู่ภายในกับมันอีกด้วยโดยไม่เป็นอันตรายหนึ่งใจเรามีธรรมประจําแต่ใจสัตว์ไม่มีธรรมใจเราต้องมีอํานาจเหนือกว่าสัตว์เป็นไหนๆแม้สัตว์จะไม่ทราบได้ว่ามีธรรมแต่สิ่งที่ทําให้สัตว์ไม่กล้าอาจเอื้อม มีอยู่กับใจเราอย่างลึกลับนั่นแหละคือทำเครื่องป้องกันหรือทำเครื่องทรงอํานาจให้สัตว์ใจอ่อนไม่กล้าทําอะไรได้หนึ่งอํานาจของจิตเป็นอํานาจที่ลึกลับและรู้อยู่เฉพาะตัวแต่ผู้อื่นทราบได้ยากหากไม่มียานภายในหนึ่งฉะนั้นทำแม้จะเรียนและประกาศสอนกันทั่วโลกก็ยังเป็นธรรมชาติที่ลึกลับอยู่นั่นเองถ้าใจยังเข้าไม่ถึงธรรมชาติเป็นขั้นๆที่ควรจะเปิดเผยกับใจเป็นระยะๆไป เมื่อเข้าถึงกันจริงๆแล้วปัญหาระหว่างใจกับธรรมก็สิ้นสุดของเองเพราะใจกับธรรมมีความละเอียดสุกุมและลี้ลับพอๆกันเมื่อถึงขั้นนี้แล้วแม้จะพูดว่าใจคือธรรมและธรรมคือใจก็ไม่ผิดและไม่มีอะไรมาขัดแย้งถ้ากิเลสตัวเคยขัดแย้งสิ้นไปไม่มีเหลือแล้วเท่าที่ใจกลายเป็นเครื่องมือของกิเลสตัณหาจนมองหาคุณค่าไม่เจอนั้นก็เพราะ ใจถูกสิ่งดังกล่าวคละคล้ากรุ่มรุมจนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจึงดูเหมือนไม่มีคุณค่าอะไรแฝงอยู่เลยในระยะนั้นถ้าปล่อยให้เป็นทํานองนั้นเรื่อยไปไม่สนใจรักษาและชำระแก้ไขใจก็ไม่มีคุณค่าทำก็ไม่มีราคาสําหรับตนแม้จะตายแล้วเกิดและเกิดแล้วตายสักกี่ร้อยกี่พันครั้งก็เป็นทํานองเขาเปลี่ยนชุดเสื้อผ้าซึ่งล้วนเป็นชุดที่สกปรกด้วยกันจะเปลี่ยนวันละกี่ครั้ง ก็คือผู้สกปรกหน้าเกลียดอยู่นั่นเองผิดกับผู้เปลี่ยนชุดเสื้อผ้าที่สกปรกออกแล้วสวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาดแทนไปนไหนๆฉะนั้นการเปลี่ยนชุดดีชั่วสำหรับใจจึงเป็นปัญหาสำคัญของแต่ละคนจะพิจารณาและรับผิด ช, ชอบตัวเองใ้ทางใดไม่มีใครจะมารับภาระแทนได้ไม่ต้องเป็นกังวลอีกต่อไปแต่เรื่องตัวเองนี้เป็นเรื่องใหญ่โตของแต่ละคนซึ่งรู้อยู่กับตัวทั้งปัจจุบันและอนาคต ว่าต้องเป็นผู้รับผิดชอบตัวเองตลอดไปไม่มีกำหนดการนอกจากผู้ให้การบำรุงรักษาจนถึงที่ปลอดภัยโดยสมบูรณ์แล้วเท่านั้นดังพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านเป็นตัวอย่างนั้นชื่อว่าเป็นผู้หมดภาระโดยประการทั้งปวงอย่างสมบูรณ์ผู้เช่นนั้นแหลที่โลกกล่าวอ้างเป็นสรณะเพื่อหวังฝากเป็นฝากตายในชีวิตตลอดมาแม้ผู้ตกอยู่ในลักษณะแห่งความไม่ดีแต่ยังพอรูบุญรูบาศอยู่บ้าง ก็ยังกล่าวอ้างพระพจิจารณาพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะยังไม่หยุดปากกระดากใจยังระลึกถึงพอให้พระองค์ทรงเป็นห่วงและรำคาญในความไม่ดีของเขาอยู่นั่นเองเช่นเดียวกับลูกๆทั้งที่เป็นลูกที่ดีและลูกที่เลวโอบนถึงผู้บังเกิดกล่าวว่าเป็นพ่อเป็นแม่ของตนฉะนั้นท่านพระอาจารย์มั่นท่านฝึกอบรมพระเนนเพื่อเห็นผลประจักษ์ในการบําเพ็ญท่านมีอุบายปลุกปลอบด้วยวิธีต่างๆดั ง, งกล่าวมา ผู้ตั้งใจปฏิบัติตามท่านด้วยความเคารพเทิดทูนจริงๆย่อมได้รับคุณธรรมเป็นการถ่ายทอดข้อวัดีิธีดำเนินจากท่านมาอย่างพอใจตลอดความรู้ความฉลาดภายในใจเป็นที่นาเรื่อมใส่และนำมาสั่งสอนลูกศิษย์สืบทอดกันมาพอเห็นเป็นสกีพยานว่ า, าศาสนายังทรงมกักทรงผลประจักรใจของผู้ปฏิบัติตลอดมาไม่ขาดศูนถ้าพูดตามความเป็นมาและการอบรมสั่งสอนของท่านพระอาจารย์มั่นแล้ว ควรเรียกได้อย่างถณะใจว่าปฏิปทาอดอยากคือที่อยู่ก็อดอยากที่อาศัยก็ฝืดเครืองปัจจัยเครื่องอาศัยโดยมากดําเนินไปแบบขาดขาดเขินเขิ น, ขนทั้งทั้งที่สิ่งเหล่านั้นมีอยู่ความเป็นอยู่หลักนอนที่ล้วนอยู่ในสภาพอนิจจังนั้นถ้าผูกเคยอยู่ด้วยความสนุกรื่นเริงและสมบูรณ์ไปเจอเข้าวอาจเกิดความสลดสังเวชใจในความเป็นอยู่ของท่านเหล่านั้นอย่างยากจะตรงตกได้ เพราะไม่มีอะไรจะเป็นที่เจริญตาเจริญใจสำหรับโลกผู้ไม่เคยต่อสภาพเช่นนั้นจึงเป็นที่น่าทุเรศเอานักหนาแต่ท่านเองแม้จะเป็นอยู่ในลักษณะของนักโทษในเรือนจำแต่ก็เป็นความสมัครใจและอยู่ได้ด้วยธรรมเป็นอยู่หลับนอนด้วยธรรมลำบากระบนทนทุกข์ด้วยธรรมทรมานตนเพื่อธรรมอะไรอะไรในสายตาที่เห็นว่าเป็นการทรมานของผู้ไม่เคยพบเคยเห็น จึงเป็นเรื่องความสะดวกายสบายใจสําหรับท่านผู้มีปฏิปทาในทางนั้นดังนั้นจึงควรให้นามว่าปฏิปทาอดอยากเพราะอยู่ด้วยความตั้งใจทรมานอดอยากฝืนกายเฝินใจจริงๆคืออยู่ก็เฝินไปก็เฝืนนั่งก็ฝืนยืนก็ฝืนนอนก็เฝืนเดินจงกรมก็เฝืนนั่งสมาธิก็เฝินในอุญยาตทั้งสี่เป็นท่าฝืนกายฝืนใจทั้งนั้น ไม่ยอมให้อยู่ตามอัตยาสัยใจชอบเลยบางครั้งยังต้องทนอดทนหิวไม่ฉันจังหันไปหลายวันเพื่อเรื่ ง, นนาางความเพียรทางใจขณะที่ไม่ฉันนั้นเป็นเวลาทำความเพียรตลอดสายไม่มีการลดย่อนผ่อนตัวว่าหิวโหยแม้จะทุกข์ก็ทราบว่าทุกนในเวลานั้นแต่ก็ทราบว่าตนทนอดทนหิวเพื่อความเพียรเพราะผู้ปฏิบัติบ า, บางรายจริญนิสัยชอบทางอดอาหารถ้าฉันไปทุกวัน ร่างกายสมบูรณ์ความเพียรทางใจไม่กล้าหน้าใจอับเฉาไม่สว่างสวยัยไม่องค์อาจกล้าหานก็จําต้องหาทางแก้ไขโดยมีการผ่อนและอดอาหารบ้างอดระยะสั้นบ้างระยะยาวบ้างพร้อมกับความสังเกตตัวเองว่าอย่างไหนมีผลมากน้อยต่างกันอย่างไรบ้างเมื่อทราบนิสัยของตนว่าถูกกับวิธีใดก็เร่งรีบในวิธีนั้นรายที่ถูกจริตกับการอดหลายวันก็จําต้องยอมรับตามนิสัยของตน และพยายามทำตามแบบนั้นเรื่อยไปแม้จะลำบากแม้จะลาบากบ้างก็ยอมทนเอาเพราะอยากดีอยากรู้อยากฉลาดอยากหลุดพ้นจากทุกผู้ที่จริตนิสัยถูกกับการอดในระยะยาวย่อมทราบได้ในขณะที่กำลังทำการอดอยู่คืออดไปหลายวันเท่าไรจจยิ่งเด่นดวงและอาถรรพ์ต่ออารมณ์ที่เคยเป็นข้าศึกจะมีความคล่องแคล่วแกล้กล้าต่อหน้าที่ของตนมากขึ้นนั่งสมาธิภาวนาลืมมืดลืมสว่าง เพราะความเพลินกับธรรมขณะใจสัมผัสสัมพันธ์กับธรรมย่อมไม่สนใจกับความหิวโหวยและการเวลามีแต่ความรื่นเริงในธรรมทั้งหลายอันเป็นสมบัติที่ควรได้ควรถึงในเวลานั้นจึงรีบตักตวงให้ทันกับเวลาที่กิเลสความเกียดคร้านอ่อนแอความไม่อดทนเป็นต้นกำลังนอนหลับอยู่พอจะสามารถแอบปีนขึ้นบนหลังหรือบนคอมันบ้างก็ให้ได้ขึ้นในเวลานั้นนั้น ร, รังรังรอๆหาเลิกงามยามดีพุ่งนี้มารืนอยู่เวลามันตื่นขึ้นมาแล้วจะลําบากดีไม่ดีอาสู้มันไม่ได้แต่กลายเป็นช้างให้มันโดดขึ้นบนคอแล้วเอาขอสับลงบนศีรษะคือหัวใจแล้วต้องยอมแพ้มันอย่างรากเพราะใจเราเคยเป็นช้างให้กิเลสเป็นนายกวนบังคับมานานแสนนานแล้วความรู้สึกกลัวที่เคยฝังใจมานานนั้นแหละพาให้ขยับขยับไม่กล้าต่อสู้กับมันอย่างเต็มฝีมือได้ ทางด้านธรรมท่านว่ากิเลสกับธรรมเป็นคู่อริกันแต่ทางโลกเห็นว่ากิเลสกับใจเป็นคู่มิตรในลักษณะบ่อยกลางเรือนอย่างแยกกันไม่ออกฉะนั้นผู้มีความเห็นไปตามธรรมจึงต้องพยายามต่อสู้กับสิ่งที่ตนเห็นว่าเป็นฆ้าศึกเพื่อเอาตัวรอดและครองตัวอย่างอิสระไม่ต้องขึ้นกับกิเลสเป็นผู้คอยกระซิบสั่งการแต่ผู้เห็นตามกิเลสก็ต้องคอยพนาพนาเอาอกเอาใจที่มันแนะนํา หรือสั่งการออกมาอย่างไรต้องยอมปฏิบัติตามทุกอย่างไม่ขัดขืนมันได้ส่วนผลที่ได้รับจากมันนั้นเจ้าตูวก็ทราบว่ามีความกระเทือนต่อจิตใจเพียงใดแม้ผู้อื่นก็ย่อมทราบได้จากการระบายออกของผู้เป็นเจ้าทุกเพราะความกระทบกระเทือนทางจิตใจที่ถูกกิเลสกั่นแกลก้งและทรมานโดยวิธีต่างๆไม่มีประมาณโทษทั้นมแลทําให้ผู้มีความรักตัวสงวนใจต้องมีมานะต่อสู้ ด้วยความเพียรทุกด้านอย่างไม่อาลัยเสียดายชีวิตถึงจะอดก็ยอมอดทุกข์ก็ยอมทุกข์แม้ตายก็ยอมคลีชีพเพื่อยอมบูชาพระาศาสนาไปเลยไม่มีการแบ่งรับแบ่งสู้ไว้เพื่อกิเลสได้หวังมีส่วนด้วยจะได้ใจที่ท่านพระอาจารย์มั่นเทศปลุกใจพระเนรจะมีความอาถรรพ์ร่าเริงกับความเพียรเพื่อยกตนให้พ้นทุกข์เครื่องกดทวงจิตใจก็เพราะท่านได้พิจารณาทดสอบเรื่องของกิเลสกรรธรรม มาอย่างละเอียดทีถ่วนจนเห็นผลประจักษ์ใจแล้วจึงได้กลับมาภาคอีสานและทำการสั่งสอนอย่างเต็มภูมิแห่งธรรมที่ท่านรู้เห็นมาเป็นคราวๆในสมัยนั้นทำที่ท่านสั่งสอนอย่างอาภานและออกหน้าออกตาแก่บรรดาศิษย์อยู่เสมอได้แก่พระธรรมห้าคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาโดยให้เหตุผลว่าผู้ไม่หนห่างจากธรรมเหล่านี้ ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่ขาดทุนและล่มจมเป็นผู้มีหวังความเจริญก้าวหน้าไปโดยลําดับทำทั้งห้าข้อนี้ท่านแยกความหมายมายใช้สําหรับท่านเองเป็นข้อข้อซึ่งโดยมากเป็นไปในทางปลูกใจให้อาถานมีใจความว่าศรัทธาเชื่อาศาสนธรรมที่พระองค์ประทานไว้เพื่อโลกเราผู้หนึ่งใจนจํานวนของคนในโลกซึ่งอยู่ในขายที่ควรได้รับแสงสว่างแห่งธรรมจากข้อปฏิบัติที่ทําจริงแน่นอนไม่เป็นอื่น และเชื่อว่าเกิดแล้วต้องตายแต่จะช้าหรือเร็วไม่สำคัญที่สำคัญอยู่ตรงที่ว่าเราจะตายแบบผู้แพ้กิเลสวัตรกรรมวัตรวิปากวัตรหรือจะเป็นผู้ชนะวัตรวรมนีก่อนจะตายคาว่าแพ้ไม่เป็นสิ่งพึงปรารถนาแม้แต่เด็กเล่นกีฬากันต่างฝ่ายเขายังหวังชนะกันเราจึงควรสะดุดใจและไม่ควรทำตัวให้เป็นผู้แพ้ ถ้าเป็นผู้แพ้ก็ต้องทนอยู่อย่างผู้แพ้ทุกๆอาการของผู้แพ้ต้องเป็นการกระเทือนใจอย่างมากและเราทุกทุกจนหาทางออกไม่ได้ขณะที่จิตจะคิดหาทางออกของผู้แพ้มีอยู่ทางเดียวคือตายซะดีกว่าซึ่งตายไปแบบที่ว่าดีกว่านี้ก็ต้องเป็นการตายของผู้แพ้ต่อข้าศึตอยู่นั่นเองอันเป็นทางกอบโงยโรอยทุกใสตัวเองจนไม่มีที่ปลงวางจึงไม่มีอะไรดีเลยสำหรับผู้แพ้ทุกประตูแล้ว ถ้าจะตายแบบผู้ชนะดังพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านก็ต้องเชื่อแบบท่านทำแบบท่านเพียรและอดทนแบบท่านมีสติรักษาใจรักษาตัวรักษากิริยาที่แสดงออกทุกอาการแบบท่านทำใจให้มันคงต่อหน้าที่ของตนอย่าโยกเยกคลอนแคลนแบบคนจวนตัวไม่มีสติเป็นหลักเหตุแต่จงทำใจให้มันคงต่อเหตุที่ทำเพื่อผลอันพึงพอใจจะได้มีทางเกิดขึ้นได้ อันเป็นแบบที่ท่านพาดำเนินศาสนาคือคำสั่งสอนของท่านผู้ฉลาดท่านสอนคนเพื่อให้เกิดความฉลาดทุกแง่ทุกมุมซึ่งพอจะพิจารณาตามท่านได้แต่เราอย่าฟังเพื่อความโง่อยู่ด้วยความโง่กินดื่มทำพูดด้วความโง่คำว่าโง่ไม่ใช่ของดีคนโง่ก็ไม่ดีสัตว์โง่ก็ไม่ดีเด็กโง่ผู้ใหญ่โง่ไม่ใช่ของดีทั้งนั้นเราโง่จะให้ใครเขาชมว่าดี จึงไม่ควรทําความสนิทติดจมอยู่กับความโง่โดยไม่ใช้ความพิจารณาไตร่ตรองไม่ใช่ทางพ้นทุกข์โดยประการทั้งปวงจึงไม่ควรแก่สมณะซึ่งเป็นเพศที่ใคร่ครวนไตรตรองนี่คือความหมายในธรรมห้าข้อที่ท่านคิดค้นขึ้นมาพร่ำสอนท่านเองและหมู่คณะที่ไปอบรมศึกษากับท่านรู้สึกว่าเป็นคติได้ดีมากเพราะเป็นอุบายปลุกใจให้เกิดสติปัญญาและอาถานทั้งเหมาะสมกับสภาพการ และสถานที่ของพระธุดงผู้เตรียมพร้อมแล้วในการรบพุ่งชิงชัยระหว่างกิเลสกับธรรมเพื่อความชนะเลิศคือวิมุตตพระนิพพานอันเป็นหลักเขตแดนมหาชัยที่ตรอฐานมานานพระอาจารย์ที่เป็นสิทธิผู้ใหญ่ของท่านเล่าให้ฟังว่าเวลาอยู่กับท่านแม้จะมีพระเนรจำนวนมากด้วยกันแต่มองดูอากัปกิริยาของแต่ละองค์เหมือนพระเนนที่สิ้นกิเลสกันแล้วทั้งนั้นไม่มีอาการแสดงความคึกขนองใดๆ แม้แต่น้อยให้ปรากฏบ้างเลยต่างองค์ต่างสงบเสงเงยมเกียมตัวทั้งที่อยู่โดยลำพังตนเองทั้งเวลามารวมกันด้วยกิจธุระบางอย่างและเวลารวมประชุมฟังการอบรมต่างมีมัญญาสวยงามมากถ้าไม่ได้ฟังทางเกี่ยวกับภูมิจิตเวลาท่านสนทนาการ ก, กับท่านอาจารย์บ้างก็อาจให้เกิดความสงสยัยหรือเชื่อแน่ว่าแต่และองค์คงสาเร็จพระอรหันต์กันแน่แน่ แต่พอดาวได้จากการแก้ปัญหาธรรมขณะที่ท่านสนทนากันว่าองค์ไหนควรอยู่ในภูมิธรรมขั้นใดนับแต่สมาธิและปัญญาขั้นต้นขึ้นไปถึงสมาธิและวิปัสสนาขั้นสูงการแก้ปัญหาในเวลามีผู้ไปศึกษาก็ดีการแสดงธรรมอบรมพระเนนในเวลาประชุมก็ดีท่านแสดงด้วยความแน่ใจและอาจฐานพอให้ผู้ฟังทราบได้ว่าธรรมที่แสดงออกเป็นธรรมที่ท่านรู้เห็นทางจิตใจจริง ไม่แสดงด้วยความลูกคำหรือสุมเด็จว่าเห็นจะเป็นอย่างนั้นเห็นจะเป็นอย่างนี้จึงเป็นที่แน่ใจได้ว่าเป็นธรรมที่สอแสดงอยู่กับใจของทุกคนแม้ยังไม่รู้ไม่เห็นและคงมีวันหนึ่งที่ผู้ปฏิบัติจะสามารถรู้ได้เฉพาะตนหากไม่ลดละความเพียรไปเสียวิธีให้การอบรมแก่พระเนรและฆราวาสรู้สึกว่าท่านแสดงให้พอเหมาะสมกับขั้นภูมิความเป็นอยู่และจริตนิสัยของ ผู้มาอบรมศึกษาได้ดีและได้รับประโยชน์ทั้งสองฝ่ายขณะที่ฟังอยู่ด้วยกันเพราะท่านอธิบายแยกแยะทําออกเป็น ต, ตอนๆซึ่งพอเหมาะสมกับภูมิของผู้มาฟังจะเข้าใจ